ตอนบ่ายได้ไปงานเผาศพของชาวบ้านคนหนึ่งที่บ้านตาวินทองอายุก็84ปีนะก็เรียกว่าถึงเวลาสมควรนะชาวบ้านคนนี้ก็มาป่วยที่บ้านนะได้พอสมควรแล้วก็รู้ตัวว่า วาระสุดท้ายกำลังจะมาถึงอันนี้เป็นธรรมดาของชาวบ้านนะเวลาก็ารู้ว่าระยะสุดท้ายจะมาถึงเ็าก็อยากจะมาตายที่บ้านไม่เลือกที่จะไปเส้นลมที่โรงพยบาบาลอันทำไมถึงเลือกมาตายที่บ้านนะก็เพราะว่ามีลูกหลานนะมาช่วยดูแล เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจริงมันไม่ใช่เฉพาะคนชนบทนะที่อยากจะตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลนะเคยสอบถามคนในเมืองนะหลายหลายวัยด้วยกันนะเขาก็พูดว่าอยากจะตายที่บ้านนะแต่ว่าคนในเมืองส่วนใหญ่ นะมาจบชีวิตนะที่โรงพยาบาลหมออย่งง่ายนี้เนี่ยอคนชนระบทนี่ถือว่าโชคดีนะคือเขาเลือกที่จะตายได้ถ้าไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเขาก็ขอมาอยู่บ้านในการอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตายที่นั่นมันไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนะสำหรับชาวบ้านเพราะว่า สถานที่ก็ไม่คุ้นเคยอาหารก็ไม่ถูกปากญาติพี่น้องลูกหลานก็มาเยี่ยมไม่สะดวกแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองมากนะเวลามาเยี่ยมมาก็เป็นคันรถแล้วก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับใครที่อยู่ได้ก็ต้องหาที่นอนเอาเองนะตามตามมุมต่างๆของโรงพยาบาลตามระเบียง บางทีนอนใต้เตียงคนไข้ก็มีนะซึ่งก็ไม่สะดวกส่วนคนไข้ก็ไม่ชอบบรรยากาศที่มันไม่ค่อยสงบโดยเพราะที่อยู่ในห้อง i อซีนี่ก็มีไฟเปิดสว่างตลอด24ชั่วโมงนะเสียงเครื่องยนต์สารพัดสาหรับชาวบ้านแล้วเขาเลือกมาตายที่บ้านดีกว่าอันนี้ อาจจะตรงข้ามคนในเมืองนะซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าอยากจะตายที่บ้านแต่ก็มักจะลงเอยที่โรงพยาบาล น, นะไปเส้นชีวิตที่นั่นนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่อยากจะตายที่บ้านก็เพราะว่าไม่มีคนในบ้านคอยช่วยดูแลเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพหรือคนในเมืองบ้านหลังหนึ่งก็อยู่กันไม่กี่คน พ่อแม่ลูกหรือว่าถ้ามีปู่ย่าตายายก็มีการดูแลนะไม่ค่อยมากเท่าไหร่คนชนบทนี่เขามีข้อได้เปรียบมากกว่าก็คือว่าครอบครัวใหญ่แล้วก็มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านเยอะถึงแม่ลูกหลานจะไปทำงานในกรุงเทพแต่ว่าก็ยังมีญาติหรือคนวัยเดียวกันมาช่วยดูแล ให้ดูแลกายก็คงไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามาดูแลจิตใจให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้เนี่ยคนในเมืองนะทำได้ยากมากเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่านะบ้านของคนในเมืองครัวเรือนของคนในเมืองมันเป็นครอบครัวเล็กนะทุกคนก็ไปทำงานถ้ามีคนป่วยสักคนนะจะหาใครมาดูแล ยิงถ้าเป็นบ้านเช่าดูแล้วนี่ก็ไม่มีใครเจ้าของบ้านก็ไม่อยากให้มาตายในบ้านของเขาบางทีก็ขับไล่สาส่งให้ไปตายที่โรงพยบาบาลบางคั้งที่เจ้าตัวก็ไม่อยากไปแต่ถึงแม้คนมีเงินก็เหมือนกันนะคนมีเงินก็ลูกหลานก็ไม่อยากให้พ่อแม่มาตายที่บ้านต้องหาทางเนี่ยส่งพ่อแม่ไปที่โรงพยบาบาลแม้จะไปโรงพยบาบาลที่แพงที่สุดก็ยอมเพราะอะไรนะ ส่วนก็เพราะว่ากลัวชาวบ้านเขาขอรหาว่าไม่กระตันอยู่มีเงินเยอะแยะมีเงินนะเป็นสิบล้านร้อยล้านทำไมไม่พาพ่อแม่ไปรักษาที่โรงพยบบาบาลทำไมให้พ่อแม่อยู่บ้านแท น, นที่พ่อแม่หรือบางทีปุญญาตาใหญ่ก็เลือกที่จะตายที่บ้าน แต่ลูกหลานไม่ยอมเพราะว่ากลัวกลัวเพื่อนบ้านกลัวอ่าผู้คนเขาจะคารหาว่าไม่กระตันอยู่แต่แลราพอไปที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงนะก็เข้าสู่ระบบการยื้อนะจะตายก็ตายสงบไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าจะกระตันอยู่ให้เต็มที่นี่ก็ต้องยื้อนะจะให้ตายสงบโดยที่ไม่มีการเจาะคอใส่ท่อไม่มีการปั๊มหนีย่างมาก ยิงไปโรงพยาบาลเดกระชนนี่เ้าก็ยิงส่งเสริมสนับสนุนให้ให้ทํากระบวนการแบบนี้แล้วคนไข้ก็เถียงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้บางทีตานี่เขาก็บอกนะแววตาเขาวิงวอนนะวิงวอนบอกลูกบอกหลานพูดไม่ได้แต่วิงวอนด้วยสายตาว่าปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉันไปเธอนะแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรเพราะว่าถ้าไป ถอท่ อ, ทอปิดเครื่องก็เหมือนกับว่าไปทําปาณาติบาตก็เลยปล่อยให้ยื้อด้วยความทุกข์ทรมานจะตายก็ตายไม่ได้นะแต่ว่าจะอยู่ก็อยู่แบบไร้คุณภาพนะไม่มีความสุขเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้ก็เป็นชะตากรรมของคนในเมืองจํานวนมากโดยเพราะที่มีเงินมีฐานะนะ เจ้นาที่เลือกน่าจะเลือกได้ว่าน่าจะเลือกที่ตายได้เพราะว่าเงินทองก็มีมากมายตายที่บ้านก็มีคนดูแลได้หาหมอหาพยาบาลมาช่วยดูแลที่บ้านก็ได้แต่ว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ต้องถูกไปเหมือนกับบังคับไปกลายให้ไปตายที่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตัวเองไม่มีอํานาจแล้วก็ต้องอาศัยลูกหลานนี่แหละ ทุกหลานก็ยังว่านะกลัวคนขาราหานินทาว่าไม่กระตันอยู่หรือว่าอีกประการก น, นคือว่ายังทำใจไม่ได้ยอมรับความตายของพ่อแม่ของปู่ย่าตา ย, ยายไม่ได้ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะให้มีลมหายใจได้เยืนยยาวมากที่สุดเสร็จแล้วก็จบลงด้วยความทรมานแล้วก็ ทรมานนะรัที่มีลมหายใจแล้วตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตายด้วยความสงบหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ดูแลก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิตใจเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องร่างกายสนใจแต่ว่าสัญญาณชีพเป็นอย่างไรเราพยายามทำให้สัญญาณชีพสัญญาณชีพนี่มัน <c oughs> ต่อเนื่องให้มากที่สุด ความดันถ้าตกอ่ะก็ต้องฉีดโนนฉีดนี่เข้าไปเพื่อกระตุ้นหัวใจกระตุ้นความดันให้ทํางานส่วนเรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกนะมีความห่วงหาอะไรมีความวิตกกังวลอะไรมีความกลัวหรือไม่ก็ไม่มีใครสนใจนะที่จะจัดการตรงนี้หรือช่วยเหลือช่วยบันเทานะ อันนี้มันต่างจากเนาะชาวบ้านในในหมู่บ้านนะที่จริงหมู่บ้านเดี๋ยวนี้นก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ว่าอย่างบ้านตาลินทองนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ไกลไกลความเจริญนะเมื่อเทียบกับบ้านถ้ามาไฟ บ, บ้านอ่ากุดงงนะความเป็นชุมชนมันก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเยียวยาการเยียวยากายจะไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่าการเยียวยาดูแลจิตใจก็มี ก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้คนป่วยนี่เขาพร้อมที่จะยอมรับความตายได้ก็ได้ข่าวว่าคนป่วยนี่ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายนี่ท่านอนที่แย่แล้วนะแต่ว่าเขาก็พนมมือนอนพนมมือนะนึกถึงพระผู้พระธรรมประสงค์ตลอดนะตอนที่มีชีวิต อ, อยู่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ว่าใส่บาตรเป็นประจำผู้ชายนะ พ่อจันทาไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะแต่ว่าใกล้ตอนจะตายก็ยังนึกถึงพระรัตนตรยัยก็พนมมือตลอดแล้วก็ได้ทราบว่าเขาก็ตายในท่าพนมมือด้วยนะก็คงแสดงว่าไม่ได้ทุรนทุรายอะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าคนไข้เนี่ยเขาพร้อมรับความตาย เช่นเดียวกับลูกหลานก็ยอมรับได้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอายุ80กว่าแล้วแต่คนในเมืองจำนวนไม่ไม่น้อยเลยนะอายุ80ดสกว่าแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะตายก็ยังทุรนทุรายยังดิ้นหลนต่อสู้ขัดขืนความตายขอให้หมอช่วยว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายมันต่างกันมากเลยนะความตายนคนในเมืองความตายนคนในชนบทท้านที่คนชนบทก็เงินท้องก็ไม่มากนะแต่ว่า ในเรื่องความจริงของชีวิตแบบนี้นี่เขายอมรับได้มากกว่าเขาทำใจยอมรับมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วละ่ะเพราะว่าไอการที่คนมาตายที่บ้านมันก็สร้างสร้างวัฒนธรรมให้ชาวบ้านนี่เห็นตั้งแต่เล็กคนชนบทนี่ตั้งแต่เกิดมาอายุเล็กๆในน้อยเขาก็เห็นคนตายที่บ้าน เห็นคนป่วยที่บ้านเห็นคนตายที่บ้านอาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายหรือเป็นพ่อแม่ความตายมันไม่ได้ถูกปกปิดซ่อนเร้นเหมือนในเมืองที่ไปตายกันที่โรงพยาบาลหรือไปป่วยที่โรงพยาบาลเด็กๆ ก, ก็บางทีก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นคนตายนะ เพราะว่าไปป่วยในโรงพยาบาลอยู่ในห้องไอซูกว่าจะกลับมาถึงบ้านที่จริงก็ไม่ถึงบ้านจะซ้ำนะพอตายเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปวัดเลยเด็กๆนี่พอเห็นอีกทีก็ไม่เห็นอะไรนอกจากโลงร่างของคนตายก็อยู่ในโลงแล้วแต่คนชนบทนี่ตั้งแต่เล็กก็เห็นคนตายนะ้เพราะว่าตายกันที่บ้านตายที่บ้านแล้วก็ตั้งศพที่บ้านนะ ไม่ได้ตั้งศพที่ที่วัดนะอย่างคนในเมืองสมัยนี้อันนี้ก็แปลกนะคนชนบท น, นี่เขาตั้งศพที่วัดนะส่วนห้องน้ำนี่เขาตั้งไว้นอกเรือนถ้ามีห้องน้ำนะอันในเมืองนี่แปลกคนในเมืองนี่เอาห้องน้ำาพอมาไว้ในบ้านแต่ว่าศพไปไว้นอกบ้านคือไปไว้ที่วัดคนชนบท น, นี่เขาพอใจยินดีที่จะเอาศพมา ตั้งศพไว้ที่บ้านนั้นเด็กที่เกิดมาในวัฒนธรรมแบบนี้ก็คุ้นเคยความตายเพราะว่าปีหนึ่งก็มีคนตายอย่างน้อยหนึ่งคนหรือสองคนอันเด็กก็ไปเที่ยวเล่นตามบ้านเหล่านี้พอเป็นเครือญาติกันเก็ซึมซับรับนะความจริงตั้งแต่เล็กว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายพอตั้งศพที่วัด ที่บ้านเสร็จได้เวลาก็ย้ายศพนะไปเผาที่สุสานหรือที่วัดศพที่เผานี้ก็ไม่ได้เข้าไปในไม่ได้เผาในเมนนะเผาบนเชิงตะกอนอย่างที่พูดหลงนี่ก็มีเชิงตะกอนคล้ายๆกับที่สุกโตนี่แหละชาว บ, บ้านก็เอาศพมาเผาอย่างวันนี้ก็เรียกว่าเผาสดนะไม่มีการฉีดยา แต่ศพก็ก็ยังเป็นศพให้คนได้เห็นนะก่อนจะก่อนจะเผาก่อนที่จะยกขึ้นเชิงตะกอนก็เปิดโงให้ทุกคนชาวบ้านได้มาทำความเคารพนะเช่นเอาน้ำมาพร้าวมาล้างล้างหน้าก็ได้เห็นกันหมดนะ เด็กบางคนก็ชงโงกไปดูนะศพซึ่งเคยเป็นตาเคยเป็นปู่เคยเป็นยายบางคนอายุแค่ขวบสองขวบพ่อแม่ก็อุ้มมาให้มาดูศพแม่นบอแมนเพียนนะอย่างนี้แม่นบอนะ น, นะอย่าง น, <ะ S 2> นี้แหละตั้งแต่แ้กก็มาดูศพพ่อ คนเราเกิดมาก็อย่างนี้แหละเด็กมันเห็นตั้งแต่เล็กน ะ, ะเห็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆทุกปีทุกปีก็ยอมรับได้ว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ตัวเองต้องตายนะก็ยอมรับได้ไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนบางคนตายตอนแก่แต่บางคนตายขณะที่ยังหนุ่มยังสาวบางคนตายขณะที่ยังเป็นเด็ก ชาว บ, บ้านเขาก็ยอมรับได้มากกว่าคนในเมืองอาจจะมีร้องไห้บ้างนะมีเสีย อ, อกเสียใจแต่ว่าไม่ถึงกับฟูงไฟเพราะรู้ว่านี่คือความจริงของชีวิตบางคนตายตอนแก่แต่บางคนตายในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวแม้กระทั่งบางคนตายก็ยังเด็กอยู่ยอมรับได้ทําใจได้เพราะว่าชีวิตของคนชนบทนี้เขาถูกฝึกมาให้ทำใจตั้งแต่เล็กนะ ฝนไม่ตกนะก็ต้องทําใจต้นข้าวตายก็ต้องทําใจนะบางทีเพลี้ยลงมแมลงลงก็ต้องทําใจนะหรือว่าพอเริ่มมีสิวนะก็ต้องทําใจเวลาผมงอกก็ทําใจนะแต่คนในเมืองนี้ไม่ได้เลยนะมีสิวสักเมดนี่ จะต้องหาทางจัดการกับสิวนั้นให้ได้มีผมงอกก็ต้องจัดการนะทำให้ผมมันดำคลักชีวิตที่พยายามที่จะจัดการกับทุกอย่างให้มันถูกใจก็เป็นชีวิตที่ไม่รู้จักทำใจเท่าไหร่เพราะว่าถนัดแต่การปรับสิ่งภายนอกสิ่งนอกตัวให้เข้ากับความต้องการของตัวให้ถูกใจแต่ไม่ค่อยได้ฝึกที่จะปรับใจของตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก เพราะฉะนั้นพอลราเจอความตายาเจอความเจ็ความป่วยก็จะเป็นคนในเมืองก็หรือยิ่งคนที่มีการศึกษามากก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนทําใจไม่ได้เพราะไม่เคยทําใจตั้งแต่ตอนที่เริ่มแก่แล้วพอป่วยและใกล้าตายก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนมากข้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ายื้อได้ก็ต้องยืดแต่ว่าการยืดนั้น ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ <c oughs> ทาให้จิตใจมั่นคงหรือยอมรับได้เลยกับความตายที่จะมาถึงซ้ำกับทุกทรมานได้ซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นนะความตายที่ที่นำความเศร้าโศกเสียใจมาให้กับผู้คนมากมาย โดยที่ก่อนหน้า น, นั้นก็นำความทุกข์ทรมานมาให้กับผู้ป่วยนะเพราะว่าถูกแทรกแซงในทางกายแต่ว่าใจไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าไรแต่ตอนนี้ก็เริ่มนะมีคนในเมืองจำนวนมากนะที่ตัดสินใจว่าถ้าจะตายนะั้นันขอมาตายที่บ้านหรือว่าถ้าจะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ขอไม่รับการแทรกแซง ในลักษณะที่จะทำให้ทุกทรมานเช่นเจาะคอใส่ท่อปั๊มนี่ไม่เอานะมีการเขียนเปนแ ล, ล้วละอักษรเพื่อให้ลูกหลานผู้ดูแลได้รู้ว่าฉันไม่เอานะบางคนก็เลือกที่จะมาตายนะหลายคนก็เลือกมาตายที่บ้านซึ่งมันก็สะดวกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหมอมีพยาบาลที่จะมาดูแลที่บ้านได้ อย่าเพื่อนขอตามาชื่อสุภาพรพงศ์พลึกก็เธอกเกลีอยงมาตายที่บ้านเมื่อรู้ว่าตัวเองจะตายแน่ๆนะขณะที่ยังมีกําลังวังชาอยู่ก็จัดการปรับปรุงบ้านให้เป็นที่ที่ให้เป็นเรือนตายแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําสวนหน้าบ้านให้ให้รม่มให้ให้สวยงาม เพื่อว่าเวลาเจ็บป่วยมองไปที่สวนก็จะได้เกิดจิตใจช่ำชื่นเบิกบานเธอเลอกเลือกปลูกชบานะชอบชบามองออกมาจากเตียงก็เห็นสวนจะยินนกร้องหลวงพ่อคำเขียนเคยไปเยี่ยมสุภาพรก็ออกปากว่าเนี่ยบ้านเธอหน้าตายก็ทำให้ได้คิดว่าคน ทุกวันนี้เนี่ยคิดแต่จะสร้างบ้านให้หน้าอยู่แต่ไม่ค่อยนึกถึงการสร้างบ้านให้หน้าตายเท่าไหร่เหมือนกับว่าตัวเองจะไม่ตายหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าจะตายขอเลือกไปตายที่โรงพยบาบาลมากกว่าก็ได้แต่ถ้าคิดว่าถ้าอยากจะตายที่บ้านนะก็ต้องคิดกันแล้วว่าเราจะสร้างบ้านให้มันหน้าตายได้ไหมไม่ใช่เพียงแค่สร้างบ้านให้หน้าอยู่ แต่ว่าสร้างบ้านให้หน่าตายไม่พอนะมันต้องปรับสร้างหรือว่าฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมนะที่จะรับมือความตายคนเราทุกวันนี้คิดแต่เรื่องการมีชีวิตที่ดีนะแต่ว่าไม่เคยคิดเรื่องการตายดีเท่าไหร่ทั้งที่ยังยังไงเราก็ทุกันก็ต้องตายการคิดถึงแต่ชีวิตที่ดีแต่ว่าไม่ได้นึกถึงการตายดีก็เหมือนกับว่า ตอบโจทย์แค่ครึ่งเดียวนะนะอีกครึ่งหนึ่งลืมตอบลืมนึกนะเมื่อคิดถึงชีวิตที่ดีแล้วเราก็ต้องนึกถึงการตายดีด้วยมองไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมการเอาไว้อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับการอยู่กับปัจจุบันนะอย่างที่บอกไวลเราการอยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนอนาคตนะ โดยเพพาะถ้าเป็นการวางแผนอนาคตที่จะกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาณในปัจจุบันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แม้แต่พืทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนาคตภาย5ประการอนาคตภาย5ประการคือภายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องนึกถึงเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ประมาณอนาคตภาย5ประการได้แก่อะไรก็หนึ่งได้แก่ความความแก่ อันที่สองได้แก่ความป่วยนะอันที่สามได้แก่ความอัตคัดขาดแคลนอันนี้ท่านท่านท่านเทศสอนพระนะเพราะพระนี่เราก็ต้องอาศัยอาหารชาว บ, บ้านวันนี้มีกินแต่วันหน้าอาจจะอัตคัดข้อที่สี่ก็คือความไม่สงบสุขของผู้คนของบ้านเมืองวันนี้บ้านเมืองสงบสุขแต่วันหน้าอาจจะวุ่นวาย ผู้คนทะเลาะเบาแห้งกันข้อที่หคือความวิวาทบาดหมางของหมู่สงวันนี้หมูสงสามัคคีกันแต่วันหน้าอาจจะขัดแย้งทะเลาะกันทั้งหมดนี้มันล้วนแต่ทําให้เกิดถุกสระศกับการปฏิบัติเมื่อแก่แล้วก็ปฏิบัติทําได้ลําบากเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ปฏิบัติทําได้ลําบากเมื่อ อ, นะออาหารอัตคัดขาดแคลนก็ปฏิบัติทําลําบากเนะีเมื่อผู้คนทะเลาะวิวาทกัน บ้านเมืองวุ่นวายการปฏิบัติธรรมก็ลําบากเมื่อสงฆ์แตกแยกกันนะการปฏิบัติธรรมทําความเพียรก็ลําบากเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวในขณะที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วดมีกําลังวังชาในขณะที่ยังมีอาหารการกินพอสมบูรณ์ในขณะที่ชุมชนอยังสงบสุขบ้านเมืองอยังเรียบร้อยสามัคคีกันหรือว่าคณะสงฆ์ยังปรองดองกันก็ต้องเร่งทําความเพียร อันนี้ท่านให้มองไปข้างหน้าเพื่อจะกระตุ้นให้ทําความเปลี่ยนเสี้ยวแต่วันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราเลึกถึงความตายแล้วเราคิดว่าเราอยากจะตายดีไม่อยากจะตายทรมานไม่อยากจะตายด้วยความทุรนทุรายแล้วก็ต้องคิดว่าเออแล้ววันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นได้ที่จริงการการมีชีวิตที่ดีนะถ้าดีในความหมายที่เป็น ดีในทางธรรมนะเช่นทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลหลีกหนีความชั่วนะรวมทั้งการทําหน้าที่ต่อคนรักต่อบุพก า, ารีไอ้สิ่งเหล่านี้โดยตัวมันเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่ทําให้มีชีวิตที่ดีเท่านั้นแต่ว่ามันก็ยังช่วยทําให้ปูพื้นฐานไปสู่การตายดีด้วยพอเวลาตายถ้าเรามั่นใจในความดีของเรานะ เรามั่นใจว่าชีวิตที่ผ่านมาได้ทําความดีมาตลอดนะก็ทําให้เรากลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยเพราะรู้ว่าตายแล้วไปดีแน่อย่างที่พระเจ้าตรนะ์เป็นคาถาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตน พ, พุทธเจ้านี่ก่อนที่พระองค์จะตัดสรลุก็เคยสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาหลายร้อยชาติ ก็มีชาต่นึงก็เคยพูดเป็นคถ า, าว่าข้าพเจ้าไม่กลัวความชั่วในที่ไหนข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่ทาในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอีกที่หนึ่งก็พูดว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยะไม่กลัวปอรโลคปอรโลกคือพบหน้าแห่งการทำความดีสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งมั่นในธรรมนี้มันก็เป็นการ ปูทางไปสู่การตายดีได้เหมือนกันแต่แค่นั้นยังไม่พอนะมันต้องฝึกการปล่อยการวางด้วยเพราะว่าถ้าทำความดีแต่ยังมีความยึดติดยังยึดติดในลูกยึดติดในหลานยึดติดในทรัพย์สมบัตินะหรือว่ายึดติดในสวรรค์ว่าอยากจะตายถ้าตายแล้วอยากไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อันนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการการตายดีได้เพราะว่าจะตายแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยวาง ลูกยังห่วงหลานยังปล่อยวางรูปไม่ได้ยังห่วงหลานอยู่นะหลานน่ารักนะแค่ไปต่างจังหวัดสองสาวันยังคิดถึงหลานอายุสองสาขวบนะหลานไม่อยู่บ้านพ่อพ่อแม่พาไปต่างจังหวัดพาไปเที่ยวนะคนที่เป็นปู่ย่าตายายนี่ก็ยังคิดถึงหลานยังตัดใจไม่ได้นะตนั้นที่หลานก็เดี๋ยวก็จะกลับมา ไอ้แบบนี้นี่เวลาจะตายมันก็ตายลำบากนะเพราะว่าจะนึกถึงหลานอยู่ตลอดเวลาเห็นหน้าหลานเมื่อไรก็ต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมตายมันก็เลยกลายเป็นความทรมานอาจจะกลายเป็นการทุรนทุรายก็ได้เพราะนั้ น, นต้องปล่อยวางต้องฝึกปล่อยวางทําความดีแล้วต้องฝึกปล่อยวางด้วยตั้งแต่รูปธรรมและนามธรรม ต้องทั้ปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความรู้สึกผิดปล่อยวางความอะไรอาวรนพ้นที่ต้องฝึกเอาไว้นะตั้งแต่ยังมีเรื่อมีแรงยังสุขสบายดีถ้าถึงเวลาที่จะตายเนี่ยสติมันอ่อนนะถ้าไม่ปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้หรือไม่รู้จักฝึกปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้นะพอจะตายนี่มันจิตมันสติอ่อนนี่มันฝันพุ่งปรุงแต่งไปได้เยอะแยะเลยนะซึ่งทําให้ เป็นอุปสรรคต่อการตายดีตายสงบในการปฏิบัติธรรมของเรานะก็เวลาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติด้วยความด้วยความเข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการมีชีวิตที่ดีที่มีความสุขนะกลายจากความทุกข์เท่านั้นแต่ให้ตระหนักว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของการเตรียมตัวเพื่อตายดีด้วย สมัยหนึ่งสมัยที่หลวงปู่ดูลนะอตุโลท่านยังมีชีวิตยอยู่เคยไปเยี่ยมพระที่เป็นลูกศิษย์รูปหนึ่งนะไปเยี่ยมก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะเพราะว่าเพียงแค่มองตากันก็รู้แล้วหลวงปู่ดูลไม่ได้พูดอะไรมากแต่พูดเตือนสติพูดแนะนำแค่ประโยค2สองประโยชน์เท่านั้นแหละบอกว่าไอาการปฏิบัติทั้งหลายนะที่เรา พยายามทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะใช้ในวันนี้เท่านั้นนะก็เพื่อที่จะใช้ในเวลาที่จะตายถ้ทาท่านก็น่วันเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะตายนี่ก็ทําจิตให้เป็นหนึ่งนะหยุดเพ่งแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางนี่มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งสําคัญมากนะที่จะช่วยทําให้การตายเป็นการตายดี หรือจะเป็นการตายที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากปรฏิาสงสารเลยก็ไดนะ้แต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้จักปล่อยวาง น, นก็ต้องหาที่พึ่งของใจเช่นพรนารตะนัไตรหรือว่าบุญตุศนหรือความดีที่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าทำความดีมากๆมันก็มีต้นทุนที่ทํทำให้เราลึกนึกถึงพอเราลึกนึกถึงแล้วจิตใจก็มีอิ่มเอิบให้ความทุกข์ หรือว่าความปวดทุกขเวทนาที่บีบคั้นกายมันก็จะลบกวนจิตใจน้อยพะใจเนี่ยไปนึกถึงสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีงามมากกว่าจิตใ จ, จเกิดปราโมทเกิดปิติเกิดปัสสัต t h เกิดสมาธิเกิดสุขขึ้นมาเนีเป็นไปได้นะเมื่อใกล้ตายแล้วก็มีความสุขนะพระเจ้ากต็ตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนไม่ว่าบุญที่ทํา ก่อนจะตายหรือบุที่เคยทําไว้นานแล้วเพียงแค่ระ ล, ลึกนึกถึงจิตใจก็อิ่มเ อ, อิบนะเกิดปราโมทเกิดปิดติดนะการมีชีวิตที่ดีก็เป็นส่วนของการเตรียมตัวให้ตายดีได้ชีวิตดีกับการตายดีจะว่าไปแล้วก็แยกจากกันไม่ออกนะถ้าใครอยากจะตายดีก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การมีชีวิตที่ดีนะดีนี่ไม่ดีแบบพุทธนะไม่ใช่ดีแบบทั้งโลก ดีแบบทั้งโลกนี้ต้องร่ำรวยนะต้องมีชื่อเสียงต้องมีเงินทองเยอะๆต้องมีชื่อมีบริษัทบริวารมากๆแต่ว่าดีในทางพุทธในทางธรรมก็คือว่ า, ามีศีลมีธรรมนะแล้วก็ไม่ไม่รู้จักไม่ไม่มวัวแต่ยึดติดหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานเมื่อเราเลิกถึงเมื่อถ้าอยากตายดีนะ มันก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้พยายามมีชีวิต ท, ที่ดีและเวลาเราจะพยายามมีชีวิต ท, ที่ดีก็ลองคิดถึงความตายเพื่อเป็นกระเคลื่อนกระตุ้นให้เราเนี่ยไม่ไปหลงไหลเพลิดเพลินในอบายมุกหรือว่าในสิ่งร่ำเราเย่วยยวนที่ทําให้เราห่างไกลาจากการทําความดีมันเกื้อกูลกันชีวิต ท, ที่ดีก็ทําให้ตายดี และการระลึกถึงการตายดีก็ส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้นะมันก็จะช่วยทําให้เราไม่เป็นผู้ประมาทและเมื่อวันนั้นมาถึงซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่มันอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าความตายมันใกล้ตัวเราเหลือกเกินอย่างภาษทอิตาลีที่บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อน พวกนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนนี่ไม่มีใครรู้นะเดี๋ยวไปคิดว่ามีพวกนี้แล้วก็มีชาติหน้าสำหรับบางคนไม่บางคนหลายคนเลยนะในวันนี้วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยงั้นถ้าเราลึกเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะแล้วก็ขวนขวายในการทำความดีสร้างบุญสร้างบุญส่วนแล้วก็ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวาง อาลราคำนี้ก็พูด ก, กันทันนี้กราบพระ